ถ้าทำไม่ตั้งใจฟังแล้วมันจะจำไม่ได้การฟังเนี่ยต้องให้มันจำได้จะมาได้แน่แนววิธีปฏิบัติเราเรื่องปัญญารู้หัวใจวันนี้เป็นวันอาคารที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดแลพวกเราได้มาอบรมธรรมะ มาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพามาแล้วเป็นเวลาสี่วันวันนี้เป็นวันที่ห้าเราได้ทำควรมตกลงกันเอาไว้ว่าจะทำสิบวันยังเหลืออยู่ห้าวันเราจะได้ทำมาอย่างนั้นจ่าตั้งใจทำคำว่าปัญญา คนจะล่วงคุปตะพบปัญญาเนะี่ยมันเป็นญาณของยิปัศนาหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าปฐมมชฌานทุติญาชาฌตานตาาัติญญาฌานเจตุธาฌานปัญจะมะญัสฌานอันนี้มันเป็นญาณแบบ น, นี้เราเข้าใจว่าในตำราวปฐมมนะัชฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจาณปีติสุขเอกขาตาทูติญาาญาฌานมีองค์ต มีตกวิการอิทธิปาฏิหาริยแล้วก็มีตัจิญธสารไปตามขั้นตอนไปมีองค์ห้าองค์สี่องค์สามองค์สองงค์สองนี่มีสองครั้งเนี่เป็นไวในตำรานังสือเพื่อนบิณฑุของนดันนั้นเรละมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจกันแล้วมันจะไม่คล่องแวะอยู่ตำรา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 วัตถุปรามาตอานานี่เราพอเข้าใจนี้แล้วก็มารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับโธตะโมหโลภะนี้แล้วก็มารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขาร ต, ตัววิญญาณนี้อันนี้แหละเป็นปฐมเลกิกแล้วพอรู้อันนี้แล้วมันเกิดปีติเป็นนิดเดียวประมาณจาก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 ทำให้มันสบายสบายให้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคำ ว, ว่ารู้สึกตัวตื่นตัวนี่คือการเคลื่อนการไหวลูกให้รู้สึกตัวแบบัดนี้ใจิตใจมันนึกมันคิดกให้รู้สึกทันทีรู้มาเข้ามาเข้าก็เลยเข้าใจควรสงบสมถากรรมาฐานนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในถ้ำนั่นเองเราจุดไฟไว